ถ้าเราปฏิเสธอาบน้ามไม่ได้เราก็ปฏิเสธบาปบุญคุณโทษไม่ได้เหมือนกันทําไมเราจึงอาบน้าเพราะร่างกายมันสกรปรกทาไมเราจึงปฏิบัติสินธรรมเพราะจิตใจมันสกรปรกนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนไหนนั่นอยู่ที่ใจผู้พูดและผู้ฟังทำดีก็ต่ออายุ ข, ของดีอยู่ที่ใจก็คือบุญต่ออายุ ข, ของบุญอยู่ที่ใจ ทำบุญบ้านทำบุญวัดวัดก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอาทำบาปอยู่บ้านทำบาปอยู่วัดวัดก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอาใจปฏิเสธให้ใครเขาก็ไม่รับเพราะเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าทำเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ผู้องค์การทำมาเขาไม่ได้วางแผลมทำใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เป็นความผิดของใจเท่านั้นความผิดความถูกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจนั่นเองเอ Girl, ตาหูจมูกลิ้กายมันไม่รับ ใส่ชื่อชื่อเรือนามทํามันว่าท่านจงเป็นตาเน้อท่านจงเป็นหูเน้อท่านจงเป็นจมูกเน้อท่านจงมาเล่นเน้อท่านจงเป็นกายเน้อใจไปใส่ชื่อเรือนามให้ครับครับครับปฏิเสธเขาก็ไม่ปฏิเสธเฉยเขาก็ไม่เวยทีนี้ไม่มีใครใส่ชื่อเรือนามให้ตนก็ใส่ชื่อเรือนามตนว่าใจใ่ใจถ้าไห่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์ที่ใจไม่มีใครมานั้นประกันด้วยนั่นนั่นนั่ จิตเหมือนนายกายเหมือนบ่าวค่อยยิงแต่ท้าว่าเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่สมดุลกันลุกเถิดเวิ่งเถิดใจจะใส่จะบอกมันสักเพียงไหนมันก็ฝืนมันก็ไปไม่ได้เหมือนรถเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่บริบูรณ์มันเวี่งไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันขาดวิคนวิการอันใดอันหนึ่งนั่นก็ไปไม่ไหว ทีนี้ผู้ขับจะไปตีบางคนเพล้เพล้ก็บึงไปบึงไปมันก็ไม่ไปนั่นนั่นนัคนขับรถก็เปรียบเหมือนใจร่างกายเปรียบเหมือนรถร่างกายและ ว, วาจาเปรียบเหมือนรถถ้าท่าลมในรถไม่มีแล้วจะไปไ ป, ไปเปียบแต้มันก็ไม่ไ ม, ไม่ดังนั่นน่นน <laughs> ถ้าไฟไม่มีมันก็ไม่ไป ทาดินอันใดอันหนึ่งมันชำรุดเช่นยางขาดอย่างนี้หรือพลาหักอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้พลาขาดอย่างนี้เจะของจะปฏิเพกเพิกเพิกมันก็ไม่ไป่างนั้นอย่ว่ามันอยู่ใต้อานาจของพญากิจตลาดหมดมันก็ไม่อยู่ร่างกายสังขารเนี่ยเธออย่าไปเก่เนื้อเธออย่าไปเก็บเนื้อเธออย่าไปตายเนืเอ้อถ่ายออกมาให้เธอหอมเหมือนไฮเป็กเน้อก็บอกว่ไม่ได้นั่นนี่ที่นั้ น, น, นพระไต้พิดก ย่นลงมาหาใจหมดไตรสิกขาแปลว่าศีลศีลแปลทับกัลับว่าตัดศีลซะศีลตัวศอสลาตัวรลองใส่สรีเรียกว่าศีลจงทํากิจให้มั่นในทางที่ชอบเหมือนศีลาศิลาคือเห็นสมาธิตั้งมั่นลงที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจเรียกว่าไตรสิกขา คำสอนแต่ละวัรละบาทของพระสมัยพระพุทธเจ้าทรงต่อพระเนเพานหมดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้เสียงร้องไห้ร้องห่มอยู่ทุกหย่อมหญ้าเสียงสาบเสียงแช่งก็อยู่ทุกหย่อมหญ้าที่มีเสียงประปรนกันอยู่บ้างว่าสวัสดีคุณพ่อคุณลุงคุณหนูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพระคุณครูบาอาจารย์คุณเจ้านาย ธรรมหากษัตริย์กรัตถะธรรมรูคุณทหารคุณตำ ร, รวจคุณเจ้านายสวัสดีอย่างนั้นอย่างนี้จึงมีอยูน่นะเอามาจากไห น, นก็เอามาจากอายุวันโนสุขขังพลังของพระนั่นเองปริญญาตีปริญญาโถปริญญาเอกออกออกมาจากไหนก็นออกมาจากพระพุทธศาสนานนั่เองพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างยาตะประิญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ ตีระปริญญากำหนดรูด้วยการพิจารณาปัญหาใปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียรู้ละบาปบำเพ็ญบุญยกว่าปริญญาเหมือนกันยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระนาปริญญากำหนดรูด้วยการพิจารณาปัญหาในปริญญากำหนดรูด้วยการละเสียสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ละเสียยกว่าปริญญาเหมือนกันนี้จัดเป็นด้านปัญญาอาจารย์นั้นอาจารย์นี่ในทางฆรวาสเอามาใช่กันอาจารย์ในฆราวาส เอามาจากไหนเอามาจากอาจารย์ดยเมพันเตโหหิของพระพิสุสงฆ์เองภ า, าพธาบของรัฐมนตรีเอาออกมาจากไหนเอาออกมาจากพระสังคาติของพระที่ภ า, าพธาบไงภาพธาบสายรัดนี่เอามาจากไหนเอามาจากภาพรัดอกของพระนั่นเหนน็นใช่ไหจึงว่าพยานั้นพยาณินี่อืมพยาศีสุริยราชเวลานวดัด และมุหะเทสารพิบาลในสมัยรัชกาลที่หกรองอ ม, มาติเอกรองพอนิสัยชอบศึกษาทิการมณฑลเมืองอุดรรองอ ม, มาตรีพระพิทัก์พนมนครคําว่าพระก็เอาออกมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองนัน่นนั่นนั่นสมเด็จพระบรมมหาราชาก็เอาออกมาจากศัพท์ของพระพุทธศาสนานั่นเองข้อหมายข้อหมูข้อพระข้อพวกก็เอาออกมาจากพระพุทธศาสนานั่นเอง การโจดต้องโจดให้มีมูลรักแห่งมูลนั่นสามอย่างด้วยในเห็นเองด้วยในยินเองด้วยมีผู้บอกและเชื่อว่าตามเป็นจริงเมื่อสงสัยและรังเกียจข้อวัดและเถอะเรียกว่าโจดมีมูลถ้าไม่อย่างนั้นแล้โจดไม่มีมูลก็ออกมาจากข้อเมรัยนั่นเองนข้อเมรัยของพระนั่นเองข้อเมรัยของพระบอกว่าโจดอาบัตกันบ่อยๆ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 เรียกวิวาทิกรสองความโจทย์กันด้วยอาบัตินั้นเรียบอนุวาาธิกรสามอาบัตทิทั้งฝวงเรียบอาปาตาทิกรสิบสี่กิจที่สงจะต้องทํารียกิจจาทิกรอาทิกรมีสี่อาทิกรที่กเกิดขึ้นอาทิกรเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนด้วยโต้เสียงกันมีเก้าคู่นี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยนี่พระศาาค้เจ้าทรงบัญญัติไว้นี่พระศาสาข้เจ้าไม่ไทรงบัญญัติไว้ นี่ภาษาข้อเจ้าทรงประพฤติมานี anyway, anyway ่พระภาษาข้อเจ้าเนี่ยทรงประพฤติมานี่เป็นอาบัติเบานี่เป็นอาบัติหนักนี่เป็นอาบัติมีส่วนเหลือนี่เป็นอาบัติหาส่วนเหลือไม่ได้นี่เป็นอาบัติหยาบคายนี่เป็นอาบัติไม่หยาบคายคู่ใดคู่หนึ่งเกิดขึ้นเสียงกันต้องระงับวิธีนะครับอธิกรทั้งสี่นั้นในที่พ่อหน้าสงฆ์ในที่พ่อหน้าบุคคลในที่พ่อหน้าวัตถุในที่พร่อมหน้าธรรมเรียกสมมติาวไม่ไรมีระงับแบบหนึ่งระรับแบบหนึ่งอีก สความที่สองสัตประกาศให้สมมติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโจดท่านโดยอาบัตเรียกสติวินัยนี่ระงับแบบหนึ่งจำเลยเป็นผู้มีสติไครบูรไม่เป็นฐานะของจำเลยที่จะทําการละเมิดดังที่โจดกล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว้แล้วให้สติวินัยยกฟ้องของโจดเสียในพระวินัยนี่สมความที่สองสัตประกาศให้สมมติแก่ผู้ถูหายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ให้ใครโจดท่านโดยอาบัต ที่เธอทําในเวลาเป็นว่าเรียกอมูลนะารับพี่นายนี่อีกแล้ว ง, งับแบบนึงจําเลยเป็นมาเสียสติในเวลาเธอเป็นมาอย่าไปโจดอมัดเธอเนอะเธอหายแล้วเธอหายจากว่าวเธอทําผิดอีกจึงไปโจดในเวลาที่เธอทําผิดเรียกอมูลนะารับพีนายทีนี้วิธีงับอาชีพก่อนความปรับอมัดตามปฏิญญาของจําเลยผู้รับเป็นศัเรียกปฏิญญาทักรณะนี่แะ้วงับแบบนี้แบบหนึ่งความลงโทษแก่ผู้ผิด เรียกตัทปาปิยกิกากรกนี่นั่งับแบบหนึ่งความให้ปณีปนองกระทั่งสองฝ่ายเรียกตินณนะวัฏฐารรมอย่ไในเรียกว่าไก่เกีย่ยอันนี้ควเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเยีุยชิกานะ่งรับแบบเยียรพุยชิกาก็มีเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณแต่ตามคําของคนมากเป็นประมาณในทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนพวกเราทุกวันนี้เธอจะเรียนจบพระไตรปดกก็ตาม ความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงนั่นนันั่ น, น, นแต่พวกเรามึงไม่มาออกเสียงให้กูกูก็จ้างมึงนั่นนั่นนนมันเิดกันไหมละกับข้างพุทธการมันเพีมากนั่นนั่นมีเจดอย่างทีนะทนะทนะท่ทีนีครับอธิการทีนี้ความให้ไปนี่ประนอมมาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิ ม, มเลือกทินนะวัฏฏารกรรมยี่ในหนมายความว่าจําเลยก็มีทางและเท่าเท่ากัน โจก็มีทางและเข้าเข้ากันถ้าตัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะอธิการจะกําเริกบกําเริบอธิการจะกําเริบเหตุนั้นจึงให้ไก่เกียกันซะแต่ไกลเกียรกันในที่นี้หมายถึงอาบัตรเล็กน้อยละหูกอาบัตไม่ใช่มัธยมโทษไม่ใช่มหารตโทษเรียกว่าอาบัตรเล็กน้อยทางหนึ่งก็มีทางละห้าร้อยหรือทางละสามหรือสองเท่ากันอย่างนี้ถ้าจะตัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะอธิการก็จะทวีขึ้น ถ้เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไกลเกลี่ยกันสักเน่อาบัติมหันตโทษหรือโทษมหันต์โทษมัธยมโทษจะไกลเกลี่ยไม่ได้ผิดก็ต้องว่าผิดถูกก็ต้องว่าถูก น, นี่นนหมายความว่าอาบัตรเล็กน้อยต่ากว่านั้นลงมานั่นทางพระสัมภารถพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วแต่ผู้ไม่รู้จักเอหนูไอหนี่นี่ก็ดูถูกพระพุทธศาสนาะ่ะกฎหมายพระออกมาจากกฎหมายของโลกโลกเอากฎหมายของพระ ออก็ไปออกไปออกไปเรียงถ้าตั้กฎหมายไม่มองดูคําสอนอภิษฐรศาสนามันก็เลิ้อเทิ่งไปไม่รอดนั่น <c oughs> คำสอนอภิษฐรศาสนาเป็นแวน่นเป็นกระจกเงาเป็นบรรทัดเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเป็นดิ่งของชาวโลกแล้วเหตุนั้นจึงทรงพนาว่าสัทธาเทวมนุษยาสนงเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายเอา้า อวาัยามุฒทุกประเภทพระพุทธศาสนานบอกว่าเป็นมนุษย์วยบัตรชาวลอกจะไปมันมันหยัดส่งเสริมว่าเป็นทางเจริญสักเพียงไรก็ตาก็เป็นทางชี่หายอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาเถียงเลยพระพุทธเจ้าใครเห็นธนาคารอบายามุฒอยู่อที่ไห่ไม่มีมีแต่มันคลานอยู่นะมันเชี่ยวหายอวายป่วงนะนะน ะ, น ะ, น ะ, นะอวาัยามุฒเป็นเหตุเครื่งเชี่ยวหาย ดื่มหน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่ น, ลนการพ น, นันควบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติข้านทำงานในทางที่ชอบเป็นปากเป็นทางแห่งความชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากจึงว่ามุกขะมุกขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากหรือว่าเป็นปากทางแห่งชิบหายนะักหนะักพวกเราไปขายแผ่นดินให้มากขายที่ดินเ ท, ท่านั้นล้านเท่านี้ล้านนานไปนานไปมันจะไปประเทศเป็นประเทศญี่ปุ่นเนอะจะว่าไม่บอกเนอ เป็นนายหน้าให้เขาเราไม่มีที่อยู่ละเจนี่ทาไมมันจึงมีนี่มีศีลมาเพราะอบายามุขแค่หลายในโลกในโลกเต็มอยู่แต่อบายามุขชาโลกของเราพอลูกเดยียงสาแล้วมีศีลห้าบริบูรณ์หมดพอลูกเดยียงสาเก็บไปไปมีศีลห้าบริบูรณ์วัด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 เช่นบาปอย่างนี้เขาอยู่ในตัวบอสรราลาอาตปอมันไม่อยู่ในหัวใจของมนุษย์นั่นนั่ น, น, น, น, น, น, นเช่นบุญอย่างนี้ตบอมชลอุยอผู้หญิงอยู่ในหนังสือมันไม่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายนันน่นเหตุนั้นการปฏิบัติสินธรรมจึงมีท่าการท่าการปฏิบัติสินธรรมไม่มีมันก็เหลืองเจิ้งคนเราอยู่ในโลกมันก็เท่ากับสนัขกันเองพอเห็นกันก็เรียบกัน เลยเอ็นเอ็นเอ็นเอ็ตัวไหนเชี่ยวฟันยาวตัวไหนเชี่ยวพันไม่ยาวก็มีก็ตายก็ตายนันนั่นน่นมันเห็นกันก็ถกับหมาเห็นกันะถ้าไม่มีคําสอนพระพุทธศาสนาแทรกแกล้งอยู่ในโลกนั่นนันนั่นนถูกไหมถูกไหมในที่พูดอย่างนี้แม้แต่ดูถูกชาวโลกเพื่อเตือนให้ชาวโลกเข้าหาสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ชาวโลกก็ให้คะแนนกันว่าเออฝนไม่ตกตามฤดูกาลเพราะทําลายป่าไม้ลําธารและต้นไม้อันนั้นก็ถูกอยู่แต่ไม่ถูกแต่ไม่ถูกมากต้นเหตุอยู่ที่คนห่างเหินจากสิ่งธรรมะโลกห่างเหินจากสิ่งธรรมะมฝนก็ตกไม่ถูกตามฤดูกาลคําสอนพระพุทธศรรมมาสนามันเหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้ววิทยาศาสตร์เขาบอกว่าลมไม่พัดว่าลมที่จะไม่พัด ก็เพราะเหตุที่คนห่างเหินจากศีลธรรมนั่นเองวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าลมไม่พัดเอาเมฆมาเขาไปยังเพียงนั้น น, นปานอาทิบาทปวดอาวุธแล้วทางพระพุทธศาส น, นอาอธินนาทานก็ปวดอาวุธแล้วกาเมสุวิจชายจาร์ก็ปวดอาวุธแล้วมุสาวาทก็ปวดอาวุธโกหกพกรลมดื่มสุราเมีอะไรก็ปวดอาวุธแล้วแต่ไม่ดื่มมันก็เป็นบ้าอยู่อ่ะ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 แล้วมันก็เสียายเวลาอีกด้วยบางเขาไปกินจนถึงได้ข้าน่าเกลือก็มี <c oughs> นั่นเลยมันก็เพิ่มหนักเพิ่ม <c oughs> หนักความวุ่นวายขึ้นไม่ใช่มันจะทําให้ความวุ่นวายของเราเบาลงมันยิ่งหนักเข้าแต่เราก็เป็นบ้ายอยู่เหมือนกันในะแต่ก่อนเรากินแต่ในนี้ในส่วนนี้เราไม่เป็นบ้าแล้วถ้าเป็นบ้าก็เป็นบ้าส่วนอื่นเราหายไปแล้วอร้ายยมุ ก, กเหมือนกันเราเกิดมา เราเสียเงินบาทเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีในหัวใจเราเลยเราตัดสินได้ว่าถ้าเพื่อเสธรชมเลนใครไปส่งเสริญอบายาัยวุฒิทุกประเภทสู้เขารักษาสินห้าอยู่บ้านไม่ได้เราพูดอย่างนี้เด๋ยวเดินโยกมภาวนาสักเพียงไหนกว่าตามเร า, เราตัดสินอย่างนี้จะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่พระธรรมจะอํานวยให้พระธรรมเป็นผู้ตัดสินเอา เราอยู่ยงคงกรพันเราก็ไม่เชื่อมันพระพโมกนลาก็ตายด้วยพ้อนเขานะเราไม่เชื่อเลยอยู่ยงคงกรพันอย่าไม่เชื่อเนาอันไหนมันจะรงปืนได้เราไม่เชื่อพระมโมันลาก็ตายย้อนด้วยข้อเขานะหว้คเดินอากาศได้เราไม่เชื่อเลยอยู่ยงคงกรพันเหตุนั้นทางพระเวนัยจึงทรงหา้ามติฏฐานนักถาพระเวนัยทรงห้าม วิชาหงปลอดวิชาถือเลิกดียามดีวิชาวิชาอยู่ยงคงกระณันเรียกอเนสนาใครปฏิบัติวิชาหงปลอดวิชาทํานายทายทัดเรีกจะออกตัวนั้นเรีจะออกตัวนี้ไม่มีในพระพุทธศาสนามีในพระเวียดนายพระไตรปิฎกวิชาอยู่ยงคงกระณันวิชาเลิกดียามดีวิชาวิชาเสนวิชาหงปลอดหรือวิชาอันใดใด อยู่ย่งคงกพันไม่มีในทางพระพุทธศาสนาเลยมีแต่เมตต์วิชาเมต ต, ะตะากรรณารักใคร่กันเหมือนลูกพ่อเดียวแม่เดียวกัน ม, มีในวิชาเนี่ยพุทธศาสนามีอยู่คนามเบียดเบียนเป็นสุขในโลกความเบียดเียนเป็นทุกข์ในโลกพระบรมศาสนาเห็นเด็ดตีงูไปบินท้าบาดพราะเธอจะตีงูทําไมเกล้งมันกัดพระเจ้าข้าเออบุคคล รักความสุขแล้วไปเบียดเบียนท่านผื่นความสุขจะมีมาจากประตูใดล่ะลูกเอ๋อร้านเ อ, อ๋อโอ้ยหลวงพ่อนี่คือว่าเมียนเทว่าถีบค้อ น, น, นตัวพระองค์เจ้าประเทศเอ้าในสําเร็จพระโสดาบันันพระองค์เจ้าพุ่มพระโสดาบันว่าเสดายอยากลองระเมิดศีลหา่าว่าเสดายอยากเล่นอบายยมุกมว่าเสดายอยากถืออยูย่องคงอพันว่าเสีดาย อยากจะฆ่าขายเครื่องปหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นรายเนื่อสัตว์เทศ ว, ว่าฆ่าพื่อเป็นอาหารฆ่าเขานําเหมาฆ่าขายยาพิษการฆ่าขายหอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกข้าพการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำลังเชื่อมงคลไม่แสวงหาขกบุญ น, นอกพระพุทธศาสนาบําเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งเนื้อสมบัติท่าประการได้เล่นจากวิบากท่าประธธการซึ่งตรงกันข้ามนั่นผู้มั่วสวดาน พลังข้นสำคัญหน่อยกัของเป็นพระสวดา์บันเไปเนเลขกูกินเหล้ากับพนันเหมือนวันพระสวัสดันเหรว่ามันพระสสดสัสเสเราสวขนาด น, นี้ว่าเ <c oughs> <c oughs> น่ยงนหอถั้น ก, <c oughs> <c oughs> กันวร้อยพรรษากระัยัส่งเสริมานโยมเลียนบัเรีนเบอร์ย้อนเขาอาสูขเขารักษาเส้นหายยามาแล้ได้เาว่า คนอยู่วัดจินหรือลนั่นแต่ว่าร้อนๆนั่นิแล้วทำไมขาไม่สีมั้งเ น, นี่ยล่ะฮะท่านเจ้ามาบวชทาเจ้าก็ไม่อยู่ผัวบนานผู้ซัวก็มีก็มีอยู่ก็จริงออัฐะคบ่าวาดีมง ด, ดอกคำบ่าวาดมันถึงมา ด, ดอกถ้าในของดีมันก็มี่อยู่เนี่ยฉันว่มีของดีสืบโลกว่ายอย่างสิ่โลกก็จะได้ดีขเท่ากันนั่นถ้าจะไปว่าออแต่พูดซัวมาลบล้างว่าเจ้าหน้ายคือกันพูดดีเพื่อก็ดีอยู่ผู้ซัวกับมี่พู้ดีกั็มี่ ไปคือซาเมเล่ก็มียโคบอลคาราวาสก็มียโคบอลงนันพาสามุ่งดีก็มีกลางนั้นคุณสมดีก็มีอยู่ขันบุมีคนดีซื้อใบอ่าโลกสติตังอยู่ได้บ่นี่มันก็มีคนดีซื้อใบอยู่สิว่าอย่างไนั่ขันว่าเรว่าเบเห็นมันดีไปไหนหรอกครับว่ามันกัมีมูอยู่คือกันะชุมดีมันก็มีอยู่ช่มดีมันมีอยู่เนี่สิว่าอย่างไรฮะคนสางวามีมากมันมูม่นสางคอกันหมดผู้บาลแล้วันก็มี ดอกบสีว่ามันอยู่ะรดับเดี๋ยวการเมดมันก็ไปดอกตูมันก็มีดอกบามันก็มีอยู่บุุบสมัยดอกตนามก็ม่ยุุสมัยมนุษย์ท่าสัตว์โลกนี่ก็เครื่อกันแน่นนั่นอเขาห้องสั่ว่าคือแผ่นดินะเาสว่ามันเสมอกันเมดมันก็ไปอะไรมันสูกับนีมันจำกมันดินไม่ฝุยก็ีไม่มีฝุยก็มีมนุษย์ก็ครือกันะครับคันว่ามีวันดีพจะไปปูของในกินเมดก็บี่แต่หินดานเมดมันรูปวัต่นี่ยไอเขาห้องสั่งว่าแนวห้องะเป แมงวันมันกล่าประชาธิปไตยมันแม่นว่าแมงพูแมงเพิงมันกว่าประชาธิปไตยมันกุฏิมันบุญชีมันกว่าประชาธิปไตยมันนกของนกค้างมันวินญาณเสื่องฝ่ามันกว่าประชาธิปไตยมันว่างกันประชาธิปไตยของเข้าทำมาประชาธิปไตยของเข้าจะเอาอะนี่ยนี่ยมันนีให้เราเอานั่นพุภัยญาญามทําดีขึ้นไปหานตัวขุนดีของเข้าพ่อพ่อเด้มันขุนดีของมู่ห้องพ่อมันก็เป็นพระรานตอนไหนว่าจะมาเกิดกาเค็ืตายการพยายามละชั่วทําดี เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างหลายมันจะยนลงมาเอาละอันเหนื่อยแล้วอีว่าวายพระพุทธธรรมประสงค์คือวายพระนปพาลพุทธแทร่ธรมแทร่สงแทก่กยจุพระเนปพาลพุทธทรรมสงส่วนตนพระโสดาบันพุทธทรรมสงส่วงท่ายคือพระนิพาลคือพระรหันต์พระพุทธศาสนาเครื่องเครื่องยูของกิดใจคือพระพุทธศาสนา อาหารของเค็ดไก่ก็คือพระพุทธศาสนาเครื่องเข้ารอบของเค็ของไก่ก็คือพระพุทธศาสนาศาสนอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสรณะของเราตราบเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลอกได้ไม่เลิกได้ก็ดีเขาปอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตราบเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลอกได้ไม่เลิกได้ก็ดี ขอกรรมโทษด้วยกายวาจยใจแต่ว่าพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจักสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดแล้วเรื่อยๆมาเรื่อยๆพอดีมนุสสมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมบัติมีเท่าใดอันหาประมาณไม่ได้ก็จะทูลถวายสกุลและกายวาจยใจเป็นวหาสมบัติอันนั้นบูชาต่อพระพุทธะธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัตจักสงสารโดยด่วน ในปจุบันชาตินี้เถอดแล้วก็มดทารันอธิษานไม่สั่นมดทารันสร้าถ้าบุญไปทานเท่านั้นเบญอีสานเป็นของรักมีใจวามพักไว้สู้ปัตรุรทั้งหลายศัตรูทางพระพุทธศาสนาคือกิเลสไม่มีท่านไม่ีสีไม่ีภาวานาเท่านั้นจะบรรเท่ากิเลสให้วาวางลงได้ถ้าคนละ ก, กายมันสกรปรก ก็มีสองนามอานามเท่านั้นจกักแหยมันบรรเทาลงไลยด้านเสียใจมีท่านวัดเสียวัดพาวนาวัดเท่านั้นจักบรรเทาเพราหยมันมีประโยชน์อันหายเกินไปจนตลอดทังเ ห, เหงือเทียนหายไปคําสอนได้ไๆในใจโลกธาตุนั้นเพราะคําสอนพระองค์เจ้าเข้ า, าแล้ะองค์เจ้าสอนเขาให้ปศนอาวุธบัดอาวุธท่ามดีอบ า, ายยมุกทุกประเภทมันเบียดเบียน มนุษย์สมบัติสอนแหรพศอาวุธหามวิห้เรียนอาวุธหามวิห้รเล่นบวกเบี้ยวัดเบอเป็นมนุษย์เนี่บัตรขันเว้นเป็นมนุษย์สมบัติขัเป็นมนุษย์นี่บัตรก็เป็นสวรสด์สมบัติก็เป็นพร่มสมบัติเป็นนิพพานสมบัติคือกันเอาเป็นนิพพานเนี่บัตรคือากันขันเป็นมนุษย์สมบัติกับสวัสด์สมบัติพุ่มสมบัตินิพพานสมบัติขัาเป็นมนุษย์เนี่บัตรกัตรงงานขามพระพุทธเจ้าสอนให้เว้น ให้าวประสบการณ์พระพุทธเจ้าเขาเาพระพุทธเจ้าเาประสบการณ์ไว้แล้วมาเป็นแนวสิ่งดีซิ่งเด่นใช่ไปมเหตุประสงค์พระพุทธเจ้าแนี่ยอไรเหลือเมตไสของมนุษย์พระพุทธเจ้ากับว่าอมาศเนี่ยอะไรใช่ไเหลือเมตไสพระพุทธเจ้าเรือามาศการละทัวทำดีเป็นของมาเหลือเมตไสการประพฤติัวใช้จากของของเหลือเมตไสัองพระพุทธเจ้าว่ามันของควที่จะเป็นการประพฤติดีใส้จากของก็เป็นของมาเป็นเนีของเหลือเมตัย การที่รงำรวยที่ร่ำรวยหลุนท่านเพิ่มเป็นของเหลววิสัยพันมาการชีเว้นว่เป็นของเหลววิสัยพันมาการที่ทําควมเยึดหายใจจากของเป็นทั้งเหลยววิสัยการที่ทําควบจะเลื่อนหายใจของเป็นของเหลววิสัยพันมามันพันพันพันว่าออกง่ายง่ายความดีคนดีทํำในง่ายความดีคนชั่วทํำในยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทํำในยากความดีคนชั่วทํำในยาก ความเชื่อคนชั่วทํำง่ายๆรับการกกงไปโกงมาพระเจ้าายก็ย่นลงมากันคําสอนของพระพุทธเจ้าจงทําจิตให้บันเทิงในการและชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงมาแล้วไปทั้งไรายกับพระไปทั้งหลกับพระพุาพุทโธพทโธไปในรถในเรือมันจะมาเป็นอันตรายงามชีรับสีนอนกว่ายพระสามที่ตะกันจั๊กี่ลาย พุทโธโมสงโคะก่อนน้อนภาวนาพุทโธรับค่ากันต่อธโมสงโคขยุ่นรำกันละปว่มาทางไหนก็พุทโธเนี่ยขยายออกกบครบแปดมื่นชีวะท่ามาขันกันถโมคือการกัครบแปดมื่นชีวะทมขันกันสงโคคือกันครบแปดมื่นชีวะทมขันกันขยายขยายออกณโมตัวเดียวขยายออกนอมน้อมจนครบแปดมื่นชีวะท่ามาขันกันอลน้อมใช้พระโสดาบันจะกระทาามอาณาค่ามิอาหัน ทำคำสอนเจัาระบาทขยายออกครบใจชี้ขามื 80, ่ครบแปดเมือเทียบพระธรรมขันย์มย่นน้องมากับมหาใจขยายออกกับครบวัดคืออันมันขึ้นอยู่กับผู้มีปัญญาพุทธธรรมสงก็เป็นเชือกสามเกี่ยวอยู่ในหัวใจเท่านี้เอาไว้นี่พุทธท้อซอพุทธท้อแผลผู้ลู้ลู่ระบาบอมเพรนบุญทรามโมส่งไงสิงผู้ระบาอเพรบุญสังคฆพฏิวัติเพรระบาบอาเพรบุญก็อันเดียวกัน เป็นเสื้อสาเกี่ยวยังได้หัวใจเขาเนี่ยท่านชินพาะวนาเขาเป็นเสื้สามเกี่ยวยังไดหัวใจเขานี่คือการไตรชิกาก็เป็นเสื้อสามเกี่ยวยัง้หัวใจเขานี่ยทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจไปต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปต่ออุวุธของอายุของบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ต่ออยู่ที่อื่นเลยทำบุญแล้วไม่ต้อง ตอนเขาคลอกเหมือนโกแล้วกระเบือมันเข้ามาขอขอกไก่ถ้าบนแล้วก็มาหาข อ, อกไก่ถ้าบนแล้วไม่ต้องตอนเขาคลอกเหมือนโกแล้วกระเบือมันเข้ามาขอขอกไก่ถ้าบนแล้วก็มาหาข อ, อกไก่ถ้บบามาไแล้วก็มาหาขอกไก่เม่อตอนเขาคองกงาคืองอคือกวอยเนี่ยฉะนั้นจึงว่าสงสัยในบาปในบุญกำเนิดใครก่อเข้ามีอิสระอยู่เสียมีอิสระทําดีอยว่าเข้าเสีมีอิสระทั้งตัวเข้าไปค้นใจถึงทั้งผง่ายง่ามทําดี ว่าได้ใใจเถิงทั้งพยานามทําตัวแม่งพูก็มีใจถึงทั้งกินสอเกิดสอดอกไ ม, ม้แม่งวันก็มีใจถึงทั้งกิดโกรธเมื่อก็ของไฝของว่นคนนับถือพระพุทธศาสนาคือไม่ลอยแทว่าะชนไม่ลอยกับไปเรื่องของไฝคองวันแม่งเพิงไปยังไม่ลอยแต่แม่งวันไปยังไม่ร้ายแทวะชนที่จะควมเดียวกันพระพุทธศาสนาเป็นอของสูงว่าเป็นฐานะบุคคลพูบารมีตาต่อยสามารถเหลื่ยมใส บุคคลผู้เหลมสายพรพุทธศาสนาเปนคนสางวานลมีแจกระามาลายศาสตร์และภพล่าเ้อบ น, น, นบของขี่ไลยเด้ยประบาททีวิตของเจ้าของเจ้าของเหลื่อม ส, ยนนสายพระพุทธศาส น, นาไปค้นสางวันลมีดแจกระมาแล้วคำมันแม่งต่างๆกัน่แม่งพูแม่งเคืงคนว่าม่แม่งวันว่าด้วยเดชขนพระพุทธศาสนาอันช่องพระคุนขาหาประมาณมามไมงได้และพระทรงมียุตุ ก, การด้วยไม่ขึ้นย ก, กับพูรูและแม่รู ว่าเป็นดังนี yes. Yes, ้พราเราทั hmm. <His self. S 1> <Hum> ้งหลายทุกทวนหน้าที่นำมาในที่นี้พอดีที่ไม่ได้มาก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในพุทธศาสนาจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกทวน้าอยู่โดยทุกเมื่อถือเขากะว่ะยังสัตว์สูงได้เนี่ยความหลงอันนอนเนืองในคันธ์สันดาลนั่นมันตัดความหลงอันนี้ออกแล้วมันกลายเปนพระอรหันต์ท่านหลงมานนังหมอยู่อยู่แตรอบแเป็นของสวยงามหลงอันนังงยื่หูมอยู่แต่รอบแเป็นของเทียง หลงว่าน uh ั่งย uh ื่หูรอกอยู่โดยรอบนี่อยู่ในบังคับของเห่ายู่ในบังคับของไก่มันมออยู่ดิบอกว่ให้แกมันกัแกบอกว่ให้เจ็บมันกัเจ็บบอกว่ให้ตายมันกัตายบอกว่ให้หิวมันกับหิวบอกว่าให้หอดมันก็บหอดบอกว่ให้นาวมันกับน้าวบอกว่าให้เจ็บมันกัเจ็บบอกว่ให้ปวดมันกับปวดมันมอยู่นําพญายิ้มตลาดเดไมีแต่พญายิ้มตลาดงอมันแน่ร่างกายเนี่ยบอกท่านน่ะมันกับลงว่าสวยว่างาม พระพุทธเจ้าผัานว่าบสวยบ่ว ง, งามมีแต่ของสกรปรกสมมุ่นเออยู่ในร่างกายมูอเห่าเนี่ยเพราะวะ่าเห่าผันมูอเห่ามันบอยอมมูอเห่าเป็นลูกบอกญาตสอนญาติพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าคือพ่อมูอเหา่ามาสอนมูอเหา่ามูอเห้าผันบัฟังบัวนา่างามสมควรพอใส่หรอหือเปล่าพระพุทธเจ้อาอ่าเป็นของป่วยของเมาสั่งในสกปรในร่าง ก, กายเป็นของอมันบัเที่ยงเป็นทุกข์ หายใจเขาออกออกแวอกแรงด้วยกระจ้าขุนตายไวไวสันน่นผ่นวางนตายไม่ยึดลมหายใจขเขาออก่นวางแล้วหายใจจ้างไวไวสัน่นยังเห้มันตายไวสัน่นถึงข้าวมันว่ า, มาเลยความตายมาถึงแล้วไม่มีใครจะใส่สอนได้โดยเวทมนตร์ลลด้วยซับสั่ขหันใจไวกับพฟังเขาไมมาถึงหลอกอนุ น, นอ น, นพี่จะหน้ควุนตายาวันนี้จะเพื่อไวั่น เมื่อลอยเทือกันแล้วเขาน่อยแล้วสันเอ้ยมันยังประมาทอยู่อ้นเลยเพรามกขาลมหายใจเขาออกขนแห้งมิอันนี้สองลายเลยนพระพุทธเจ้าผู้นั้นคิบว่าประมาทผู้พิจารณาค้อมตายยเมื่อค้อมตายมาถึงแล้วผู้นั้นจักเ่อหลงตายจักมีสติตายและลึกถึงท่านสินพราณาของเจ้าของเฮ็ดบุญแล้วกลับไปโย่ใจมันไปอยู่บรรอื่นพอใจพอเฮ็ด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 ตอนไหนทำแล้วไามา่เดือดร้อนในภายหลังตอนนั้นก็ทําเถิดพระพุทธเจ้าเพียงทดสอบได้เลยพุญญาเนี่ยพระโรกัจสเมงบุนเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าและอย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยพระพุทธเจ้าในคําวาลีในคาํนคาภีรอิสานนะว่าพระในพิจารณาค้นตายเป็นอารมณ์ไม่อันนี้ไม่อันนสงสามากเลยร้ายล้นมู่ฮ่องกงพิจารณาผัญญามันขีดเส็นแหงเพราะว่าบเบรียลแหงแต่ปัญญามา แม้ยังมีอาุมันยืดเหมือนสัมขุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อเอื้แต่แนวสี่พิจารณาเขี่ยมาเป็นอารมณ์สมบัติของมนุษย์ไม่หลายแท้แม้ในมีตะคุ่คมซัวเขีอามาเป็นอารมณ์ของจิตตะคว่มดีเขี่ยมาเป็นอารมณ์ของจิตกลับว่าเบื่อตัวยากพุทธาในาสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเ ก, กื้อกูลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่เมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขตัวหน้าสามอาชุพะพิจรนารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งาม สี่มรณสติระลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนกรมมฐานสี่อย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิสพุทธเจ้าสอนาจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเทวตานุสติระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคุณบุคคลที่ทําเป็นเทวดาท่านผู้มีคุณกายสัตากาสติระลึกในกายที่เห็นว่าไมงงามน่าเกลียดโสโ ค, โคารนาปาันสติรลึกถึงลมหายใจเข้าออก อุปสมานุส ต, ติแล้รู้สึงขุนของพระเนปานซึ่งเป็นที่ระงับสังขารกิเลสและกองทุกข์มันเบือ่อจะอารมณ์เนีเข้าเฉยๆก็ไปในการห้พ่อขุนอารมของกิกของใจเราไม่จะบาปอรุณผู้ถือรทัทติอื่นอารมของคิคดของใจก็เป็นโรค ก, กี่บาปเ ป, นเปนกก็นเป็นโรค ก, กี่บุญมัเป็นโรคอุศลบุญว่ามันพดบุญท่าบุญสงบุญ กรรมโมเนนาวัสติโรโกสัลโลกเป็นไปตามกรรมท่มทดีท่างชวนมันก็ไม่ห้าท่ามเอามีอิสระคนห้าวจะละคนอะมีอิสระมีอิสระทั้งท่ามดีมีอิสระทั้งท่ามชวนชวนผลของมันเนี่ยมุ่งประสงค์อะไรรับตามชวนมันเข้ารับตาเขาแล้วไม่อยากต้องการมืดมันก็ได้มืดถ้ามืดตาไม่ต้องการเทนฮงมันก็เทนหวงเว้นไว้จะับตาบอดอเลยไป ทีมันมืดไม่เป็นของทลิปบัสูนได้อย่างไรบุญกระสางเอาคได้อย่างไรบาปกรสางเอาดอยากไดีอยากไดดีกระสางเอาคนได้อยางไชั่วกรสางเอากรมว่นาทิตีโลกโสโลเป็นไปตามกรรมแม่งพวกแม่งเงไม่อิสระทั้งจิสอนออกว่าแื่งว่ามีอิสระทั้งงวดคูดด้วยกรรมทังฟ้าทั้งมันจานาจาจองเองบันดาลเองทำบันดาล ผู้ถือศาสนาเพื่อมีน้อยแถวว่าสั่งคนผู้สนแข็งใดเสมอมีน้อยแถวสั่งตัวนอกคณะมันเปิยคนตาฟ้ามีวางอะไรขันนี้จะของดีบ่มีของซัวกับองเจ้าว่าของดีมันถ่งมือกับสลางมันถึงแช่งกันมาจะพัดได้ขั้วดีก็ขั้วรัวกับของฝ้ายห้องมันกระสือไปพวกนักฝ้ากระสือทร่างดีไปพวกบ่แม่นนักปวาเขากระสือปทะช่างหองขาเจ้าไอประจำโลกเรื่องสั่งมันถงมีมาจะพันได เหตุการณ์ขงเมือพระพุทธเจ้าร้ายๆพระองค์มากโยชุ่มยกๆุกใช่มพระพุทธเจ้ามากแจ้ะพระองค์มาลืออึนมาลือก็ได้เชียร์ะเขางงว่าวนค้นงัวกับฟ้าไ้พระพุทธเจ้าองค์อื่นไปอีกกระพืดกะพืพระพุทธเจ้าก็มากว่ารอยโกรธผลมากถือมากเอกชนานี่ก็ระพุัธเล่วงไปแล้วพพุทธเจ้มากว่ารอยโกรธอาสงขัยเอาสองข่ายคนสับเบียงทดีแล้วก็ไปบวกดีอยู่ใจทั้งชั่วแล้วก็ไปบวกชั่วอยู่ใจว่าไปบวชันอื่นเมื่อจไปบวกอื่นฝ่าอากา ใจเสือรูตัวหลวารู้ตัวก็เเป็นปัญหาถ้านี้ก็ทํานหาใจถ้าตัวก็ทํานหายใจท่านไปยังเ่าจังอาบน้ำมันสกปรกเขาสังคมมือไรยืดตัวกเราะเป็นสมด้อาสามเมสามเมอเล้วเนอะสมายตัวละท่านไปยังจังปฏิบัติสีลธรรสร้างีลภาวนาพ่อคิดใจมันสกปรกพ่อหามันล่างไปแล้นะมันเดือดร้อนหลายอยา่ันนเนาะส่วนผู้นหลางพ่อหลักพระหันก็มันเดือดร้อนเขาสู้พในพาอบุญพ่พ่อหลักเขาสูพ่อใ มีบุญเฮ้ามาท่านพ่อเขาจังไปเพราะท่านไหนนี่ยต้องต่างเนาะหลวงปูเ่เสาคนไ่ได้บอกหลายเครื่องโม่เฮ้าเนี่ยเนี่ไปทะลุร้านเลยท่านถ้ามันมาพ่นกัพ่อพให้มันเป็นนิสัยเนี่ยสิ่งส่เอวักอะไก็ไปจ่อยเอี่ยหลวงปูเ่เสาเ็ได้บอกอยากเคื่องโม่เฮ้าเลยถ้ามันมาพ่นมันเป็นนิสัยไปรูกรานเลยหลวงปูเ่เสาหลวงพ่อขุ่มท่านก็ไปแล้วย วคือร้องผู้หมั่นราองผู้หมั่นมีว่าหาอะไรตัวนี่ว่าจะความใดความขืนความร้องเอาบอกว่าเจ้าหามันเอาอะไรอันตัวอ right. ันใดเอาเป็นคำว่านว่าใดจะไปเทียบกับผู้บาอาจารย์มันกับ่ด่งข้พานเอาเมตท่านประกาศจะเทียบกับผู้เขาสีแน่นอนหลับจะไปเทียบกับผู้อาจารย์ตรงไงความยินดีในธรรมสนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในพระพุทธศาสนาสนะความยินดีทั้งปวงในเรื่องอื่นๆในศาสนาอื่น ข้ามเย็นเหนะเจ้วัตรเพื่อไปมาพระเนรพาณ์ชนะความเย็นด น, น, น, น, น, นทั้งปวงในโลกเกจ ณ, า, ณาพระเจ้วัตรท่านเสินซ่วหน้าเพื่อไปพระเนรพาเป็นมหาเกจณาเป็นโลกุตระเกจนาผู้ใดอย่างไรพระสวดิบันฑว่ายากเาเสียดายวงละเมิดศีลห า, าเงเสียดายถืออาวายวมุกเงาเสียดายารรดวงอวายวมุกเงาเสียดายถือศาสดาอื่นเงาเสียดายถือยุยงคมับพันธ์ นี่ยเสียดายถือเวทมโนกคนละขาถาภายนอกงานนั่งดำนั่งแดงก็ดีวิาสาเสนีวิสาหงก์อดวิาสาใสเสน์ก็ดีเนี่ยเสียดายพระพุทธธรรมประสงค์เป็นท่านสินพ่อหน้าเป็นมหาเสนีพอะแหงแล้วบุญเป็นมหาเสนีพอะแห่งแล้วนี่ท่านละไมาสีละไมพภะวนาไมพุมมมทธธรรมสองเป็นมหาเสนีพระแห่งแล้วเมื่อเสียดายเราลงละเมิดสินหาเมื่อเสียดายเราเรียนอบายะมุก เมืเยอย่อเสียดายจากถือยั่วยุงคงกับพันเมืเ่อเสียดายจากจะจ้องเว้นผู้ใดเขียดยูห่าง่าจองเว้นไม่ได้ทําิดทำมาตราสากลแต่ให้มันแล้วไปซ า, า, า, าผู้ขาเขียดูห่างาผูกเว้นรอกอขันมากอมาให้แล้วกันไปซามูอเห่าจะมาก้อกันอีกเล่าฉะนันเขียดูเขียดูห่าง่าถึงกับผูกเว้นอย่ว่าความเขียดอะไรความโลภอัไรความโกรธของพระโสดาบันไ่าสามารถสิบล่องมอลหกได้ มันตาย ไ, ไปแล้วไม่มนุษย์ก็สวรรค์มากเลยนะสวรรค์กับสวรรค์มีอายุยืนขุมมนุษย์กับเป็นมนุษย์สั้นสูงไม่สมบัติพัฒนามากเกิดอีกอย่างหน่อยครับสตหนึ่งย่างร้ายกับสามศาสตร์เด็เขาสู้พนยิ่งผ่านโอ้ยย่างร้ายที่สุดเกียราสตร์เขาสู้คนยิ่งผ่างแต่ก็ บ, บอกก็าถึงบางที่ก็สามารถได้พระอน า, าคข้ามไม่หน้าข้ามไม่ในศาสตร์นั้นหรืออาหารในศาสรนั้นจะอาเทียนได้อยู่หมายความว่า จนิวันตายบพระได้เนาอกอานแต่พระโสดิบันที่ซ้ำเกา้าเนาะเป็นพระอนุทัศน์นั่งสิลอุ่อายุแปดสิบคนเพิ่งจังได้พระหารเน่พระสสดาบานจะปางไรผมชาวบ้างท่านกันแรงขึ้นใส่พระหนาค้าไม่อรรถกม็มพระโสดิบาลมันมาจ้องเว้นพราะได้ค้าขายกับไม่ขอบเขตเนี่ยเมื่อเช้าใดจะค้าขายเชื่องพะหานเมื่อเช้าใดะค้าขายมนุษย์ ไ่สเสีดยย้ยราคาขายสัตว์เป็นเลื่อสัตว์ที่ตัวกาเพอเปลี่ยนอาหารไม่สเสียดายค่าขายน้ำเมาไม่มสเสียดายค่าขายยาพิษการค้าขายหาอย่างนี้พระสวัสดิวันไม่เสียดายอย่ากลวงละเมิดเลยสมบัติของพระสสดิวันมีอยู่ห้าประการประกอบด้วยศรัทธาคือเชื่อในพระพุทธธรรมพระสง์ไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคลไม่แสวงหาเกบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาพระสวสดิวันตั้งไว้สมบัติห้าประการ แล้วเว้นจากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามสิ่งไหนที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจอคือเฮาว่าเสียดายอะล่วงไปรู้อีกรวมทันเพิ่งอามากกะมันหนักใจบอมันกลับว่าหนักใจนำไล่เฮาทิมบวนทิมแค่กระโถนนะ้วเขาบ่กเสียดายแล้วเอาเครื่อมาอมอีกมันหนักใจบอมันกลับว่าหนักใจเสร็จจังว่าเสียดายอะเอาเครื่อมาเห็นว่ามันมีประโยชน์มีแต่ท่าบอจะเล่น ไม่อย่างนัเขาเปลี่ยนไปหมนี่เรียกว่าเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าดวงตาเห็นท่ำอย่างเช่นว่าแสงดายจะเป็นรีบเห็นอาวันเป็นท่างจีบหายดิ่งล่องไปแล้วอันนี้เรียกว่าดวงตาเห็นท่ำเรียกว่าเบาะสมบูสงสัยเรียกว่าตัดความวิจิตรคิดชาละเรียกว่ารูปค่ำเรียกว่าศีรษะปัตบารมาศเรียกว่าถือตนถือโตว่าต่อสู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าจิบหายแต่ก็ได้ว่าถือตนถื่อโตก็ได้เสื่อโลด ที่ก็น่จะเห็นติดเป็นจริงท่านไอ้ที่เรียกว่าสักกายะสิสิความเห็นไม่เป็นเหตุถือตนทืต่ตัวต่อพขาพุทธธรรมประสงค์นั่นท่าน บ, บ่ายยมุขสกะเพศเป็นมนุษย์ในบัดเดอพี่นองเอ๋ยเดือดหน้าเมาเที่ยวกันคืนแค่ดูกันเล่นเล่นการพนันพบคนชัวอย่นี้เกียจข่านทำงานในทางที่ชอบทา บ, บายยมุขท่ามุ ข, มขะมุขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ้นปากหรือเป็นปากแห่งความชิดผายเป็นหน้าเป็นปากแห่งความคิดผาย มนุสธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเต็มพูมคือ you, wrote, algebra, พักอบายมุกออกซะก็เป็นมนุสมบัติสวรรค์ธรสมิพุ่มธรรมะนิพพานธรรมะกับเปิดประตูไปเอ้ครับอบายขันมนุสมบัติถูกคัขันมนุษย์ได้บัดนะสวรรค์พุ่มนิพพานกับเปิประตูไปในตัวมาลถือว่าสื่อแล้คว่ำฝันคว่ำฝันนี่วัตถุตาเพิ่งเื่อสั่งนั่งเชื่อนั่นนว่าไหนม่สร้าง วควายเต็มแรงตื่นคื้นือเศ้าสีแดงกรบโปงนี่โง่สัตว์เนียนหายเสียห้ยลนีหน้าเสียหน้านีะเนีนม้วเสียง้วนเนียนควายเสียควาย่ะอ๋ออวัอาายมุขพระพุทธเจ้าเป็นหนนเอกท่าอะวัดะะเลยไม่เพี้ทำคำสอนของ พ, พยยระพุทธเจ้าเห็ุทั้่นพระพุทธเจ้าจ่งเข้าเราทถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเรารถากตก็ไม่สามารถรู้ทำได้นะ ทำมาอยู่ก่อนแล้วเราจึงรู้ทำซึ่งมาจาแนกจาแนกทำฉันว่าอะไรเหตุฉะนั้นเราจึงเข้ารับทำแบบแฉดจมไม่สงสัยเลยทำคําสอนของพุทธศาสนาไม่สืดลางไปไหนคือยังมาจึงมันถูกหน้าเราวมันยังจืดเองจืดเป็นอันนี้บอมีจืดนีเปิดบางแง่ไหนกับแม่ไม่คําสอนพระพุทธเจ้าฉันเป็นของเก่าก็ะไรเพราะพระพุทธเจ้าองค์ไหก็มาสอนอันเดียวกันหมดมีพไม่แยกพ่อเราบอกกันทำเป็นโลกบาลพุ่งคลองโลกสองอย่าง ความละอายต่บาดความกาาามลัวต่าบเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มีอย่างอายตาา่าไม่มีความกลัวตา่อบาแล้วอะไรอะไรมันก็ตั้งมาอยู่มันก็ล่วงไปละเมิดด้วยสิ้นหาอีกต้องเศร้าโรกเข้าขันนี้ินหาบริบูรณ์มั้งโลกทหารกับว่าต้องไม่ตารวจกับว่าต้องไม่อ๋อหายของกับว่ต้องเฝ้าอ๋อนั่นโต่ตวนกับว่ามี่น่านี่เงื่อนหายล่ามหนึ่งก็ดีหรือมือหนึ่งก็ดีนั่ น, น, น, ห น, น, น, นปหาตบว่างหาันอะไยางสูงกับ ประโยาน์กำนันเพราะมีสินหาอายุแค่ปีเนี่ยมีสินหาหมดเลยในโลกนี้การค้าขายโลกวิญญาณก็ห้ามค้าขายเคื่องประารกาค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์เทศตัวค้าไปเป็นอาหาราค้าขายน้ำมันารค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่ส่งเสริมในโลกเลยเสียงปืนก็บปได้นนี่แหละตายน้ำตอกเหมยเฮาเขาน้าช่องถนนก็บ่อหีนอกจากรถเหยียบบางข้างบางข้าวเสนอ ออเลียงไผ่ทั้งหลายกบบมีสเสียงบเลยเสียงร้องโคมลงไหกับบมีสเสียงสาบสเสียงแจงกับบมีนั่นเศร้าโลกเสมอเนี่บว่เอา ค, คาํามสรอพระเจา้เาฝนตกบ่าตามฤดูกาลเศร้าโลกบอกว่าทำลายต้นไม้ลำทานว่าพระพุทธเจ้าเขาบอกสัตว์คนห่างเหินจากศีลธรรมนะครับฝนก็มาตกตามฤดูกาลพระพุทธเจา้าบอกสเนี้ พระทเจาองค์ไห้กมา อ, องสัตวออ์ิึดาติใ้เ่าผู้ใดกลมาวอาองคสั่นมั้มันของไครของมั่นหอว่าอย่าย้าติมันบรรยัตอันนี้มันก็มาทอพระเจ้าเข้าแล้วมาทอเจ้าเข้าคนมมีกิเลสเยว่าบาป ก, ก็เป็นบาปอีนนี้ว่าบุญก็เป็นบุญอันี้ว่าดีก็ดีอนนี้ว่าสวยก็สวยดีเพราะองค์เจ้าประสบการณ์มาเลยเยจ้งแ่เอามาสอนมือเฮาราเทวนุสานางังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุ ษ, ษย์สงาโลกกัมีูสเป็นผู้รู้แจ้งโลก คำสอนใดๆในใจโลกธาตไม่เหนือคสอนพุทธศาสนาไปเลยพระพุทธเจ้าเป็นเมืองขึงของคสอนพุทธศาสนาเมื่อไหร่ที่เข้มทิเป็นเมืองขึงของทิศเหนือเมื่อนำหวน้องข้องมึนบางเป็นเมืองขึงของมหาสมุทรเร่อันย่อคาหาเหตุนี่สั่งเงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือแบบงโง่ๆได้กรรมแลวผลของกรรมศาสนาใดๆกระซานยแต่อานาจกรรมและผลของกรรมเท่านั้น เจ้าสิบัญญัตบาบุญคุนโทษ ถ, ถือก็ถือกระซางเจาา้าทำผิดมันก็ต้องเป็นผิดโยเจ้าสิบัญยัตว่าขาซัดไปสอนปัญญกร้างเจ้าขาซัดแล้วกงบาปเท่านั้นนะบอกกันว่านะมันมเป็นไปตามเนี้ยของพระพุทธเจา้าเฮาบมมีกิเลสเนี่ยขอมพวกนั้นมีกิเลสเนี่ยพระสุภัททหมวดตอแก่กับทูตพระ อ, องค์เจ้ามือพระ อ, องค์เจ้าเขาูคนจะานเพิ่นขบวัดมือนั่นะเพิ่นขบัเน็ตมาฝนจะ า, านมือนั่นแหละวพะปชิมสาวก พกาทวดพระองค์เก่าศาสนาอื่นๆนอกจากศาสนาพุทธจะมีพระสสดาพระเทวศีสวัสดีพิผเทัลกตาไคยมัตบักทาไคยผลอาลาไคยมัตอาาคำยผลอรลัตมัตอาัตผลบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าเอออย่าเื่อย่าเลยเข้ามาดนว่าข้างตัวเขาเข้ามาอกเขาข้าง่้ำเขางเทพประสอบด้วยโตของเขาฟูกเขาเป็นเจ้าศาสนา เขาก็เป็นพุทธสอนคนหาเราดีๆนี่เองเนี่ยไอ้นี้เราตถาคตว่ามีเลียดได้เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็ว่มีเกลียดได้พระพุทเจ้าเขาขังผ้าังพวกของไฝในบรรยัติหมดจึงตามเป็นจริงนะครับพระพุทธเจ้างเราเพราะก็ยืนยันศาสนาอื pues ่นยืนยันก็ยืนยันโดยทิฏฐิมานะเกลที่เริงพระพุทธเจ้ายืนยันตามข้เป็นจริงว่มีเกิเลสได้เห็นดันั้นชื่อว่าชิห้าน่าทางนาทันเท่ๆเพ่งชี้ขนาดได้พุทธบริษัทไม่ข้ามน้ามเลยเพราะฉะนั้นมรดศาสุริศาตา พระแม่จะากังปวัตเจนติในพุทธบริษัทให้เป็นไปในโลกโลกเออปติวัติอย่างให้โลกเป็นไ ป, ปพุเบกตาพระจะทำไงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่เกิดขึ้นแล้วทิ้งลงไปแล้วก็มีพี่จะมาในข้างหน้าคนนี้ผู้เรีอมใช้พระพุทธศาสนามันค้นขี่งูคนสั่สงบ า, า, าลีแจกลระมาเลยสี่รับเสียนอนกราบหวายใช่ ก, กันพุทโธธรรมโธสังข์นี่ผ้าร่างยามีเวนีพผ้าอันไหน ง่ายมีรับมีนอนองายจะพากันประมาท้ากันติดขั้นอ้าวเพื่อนไฟเข้าในเพื่อนในซ่านเกสีร้องหนีกันกันัดอัตตุเฮียนปั๊บรบขั้นอ้าวมาปิดกับ่าถือต้องปิดนั่นเสิรับสีนอ่อนกันเท่กันว่าไฟทั้งนอกไฟทั้งในเข้ากับปิดอีกเทกันค่ารับค่าภาวนาพู้ท้อไปรับพู้ท้อผูท้อเพราะเขาเล่าหายใจห่อรับค่ากันไวเขียบนั่งภาวนากาังสีบอนั่ง เมื a little a little so. ่อนายจากสีนอนภรวนาโลดก็ได้หรือสีเดินก็ได้พระวนาพุทธโอ้ทามโนสังโคขยึดกรรมแล้วพุทโอบพระละบาทอนแผ่นดีพุทโอภาสาคขั้ดีท่ามโนสร้อยซึ่งขางคว้วดีสังโคปฏิบัติคว้วดีแล้ก็พุทโท่ามโมสังโ็อยู่หัวใจเท่าเนี่ย่าด้อยบนอื่นเนี่ยม่ต้องแขนข้ออะไรกันแขงใจโลดหลปู่เเอาแขนข้อด้วยในฟุลข้อนขามาห้เป่าหัวห้โอ้ยก็ปู่เราจักหัวเนี เาป้าตเหี่ยงทวารเน่ยเป้าอะไเป้าอ๋อเปาเป็นพระรหัเบียงมาสันทวาเป้าหัวกับร่องทังใจน่ะทั้ใจทั้งว่าพุทธพระธรรมประสงค์อันเขาผูกแขนกับเคือกันกับผูกใจน่ะผูกใจทั้งว่าพุธพระธรรมประสงฆ์ี่มันผูกแขนทังนอกกัเป็นวกาทิฏฐานเฉหรอกนมอนกับเคื่อกันเดี๋ยนี่กินมาชมจะมามาผัดกกินรึรถยึดรใจทั้งว่าพระธรรมประสง์น่ะหมีท่ามีสิงในพ้าหน่ะหามีความหมายยังสันว่าเติมรถกับเคือกัน เจอมเจอใจให้ทังพระโพธรธรสวรรรถมันถึม่หูจัดข huh> ี่ดังเด็กนี่อย่างไปจัรถอดตั้งสี่ไปจับมันสีมถึงจัขีดังนี่อยงกับผู้ขับคนนึ่เจอผู้ขับ่าขับรถอะไรข้าว่าไปเจอรถจ้เทียได้เทาไปเทากับเครียพวกขับรถเนี่ยขับแต่มันดีก็ไปแซงเขาเอาไว้ขับรถอยาให้มันปลอดภัยละแล้วอวดข้างท่างปลอดภัยขับรถอวดทางพึ่งผายแต่พัดด่วนเป๊ะด่วนะข้าไปแทงเขาคนขี่เรามันโยอมห้เขินก่อนเลย ถ้าเบิ่งร้อยมันก็ร่อยเท่กันเทาเบิ่งี่ิบรอยสามสบันก็สามสิบเท่ากันมันเริมที่ฮันเนี่ยถูกองม่กันบบนั้นก็มึงใช่แบบนี้แบบนี้ก็มึงใช่บบนนี่สิฮั่เนี่ยเริ่มจะที่ฮันเนี่มมนทังโตสองคนขนาดนี้พอเอ้ยไปสักขานหน้าที่สหน้าที่สักคนนงกัผ่านมากสักกผ่านมาทงกับเสียงเนาะนั่นมึงนะว่าบักขีราเนรตัวนไปเป็นบ้านะมันไหนบ้านอไปขึงไปแข็งมันออราสร้างเราสร้างรสร้างไปสักสิบหน้าท บือบือมากหลยท่านนี่ก็มาเเถงแล้วเมื่อจำเป็นเน่าไปแทงมันจาเป็นนี่ทีมันควตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจที่นีนมันซัขามันขามันขวงร้ายก็เข้ากับเสียบิศซาแล้วเขามันไปไกลเขาก็จะไปแ่ว่าเขาก็มีปัญหาเรบกเาไแทงมันแต่ยังดีเขาเขาจะไปแท้งอ่ขั้นเขามากร้ายๆเขาเบื่อมากเต็มขีดเขาเขากรหาเบรกบอกว่าท่านเอเขามัวไปแทงกันเลยนี่หันบ่ม่ควท่าเขาสองคนเท่านั้น เมือนท่าเฮาสองคนท่านนพอแคงกันเลยนะบ่หิบจั๊กไผเลว้สิบาของถงจักบ่สงานาที่ชิหน้าที่แแซงกันไปบ่เพงมเนี่ยล่มบลบ่หิันแซงกับไอฮอดปานี้ปานพุ่นมบ่วแล้วมันกับเพงหมเนี่ยมักแทงมันท่าคงลวบ่เจ้าอีทานท่าปลอดพรถคันนี้กับเอไคันขับไปทามเมียมันกับเพียคือกันยันียล้งรรันนี้ขับไปเบียเบียนแฟนม อาสามลักทรัพย์บางคนเพชรนาการขับประเด็รื่องเดดาบางรูปรถขันนี้ก็ได้ตุ่มหูหอยอยู่นี่ก็น่อย่างเลยเนีกองแขนกองขาข้อพ่อของแม่ปันหายเพราย่างเอาไปเรียกวุ้นวุ้นอยุขันยิบนี่สูสูกรูไปหากลูไปหาระว่าจักมันคิวได้สูตัวเด่นทั้งนั้นหละเพาบอว่าเด่นทั้งเกี๊หายเนผาดำดำมาสั่ปูอย่างนข้าวเหิลเาสั่คิวแท้แท้ห หนเหี้เขาเขามันเกิดรุ่นหูไไสก็เม็ดอ่อนซ้อนสาไปยืมเงินชก่อสก่สมากมเงินธนะ้านมากเวลาส่งงวดก็ไปส่งให้เขาเอาไปปลอมใ้เรกกับเวิออดรอดแทนบอกข้าว่าข้าว่าเปลี่ยนได้ข้าวจซื้ออยู่ข้าวให้มาเห่ากับขี้นข้าเมื่อเน่นกดกสาวมือทีสายมอ่ะ บ๊บบ๊อบบ๊อบกนั่งใช่ไหพ่อมายากบัญญัตหลายอย่างผู้ใดบอกเลขบอกขาบอกวัดบอกเบอร์พ่ออยากว่าแห้งๆกู้เขารักษาเส้นนาพ่อจุ๊บพ่อใดพเจนว่าจังแมนโมเมนต์จักเราไปตามภาษาพิบัติตัวสมานสามสิีให้ดีอยู่จะสู้สึกศัตรูคือกิเลรทั้งหลายได้ควรคิดจนงตรงใจ เป็นชาวไทยถือพุทธชั่วดินฟ้าเรายิ่งายชาติไทยใจองอาจต้องรักชาติและบ้านเกิดประเสริฐศีรักศัติ์สยามินถินที่อยู่ถ้ามองกุดก้าวเจ้าชีของชาวไทยแม่ศัตรูคิดร้ายทำลายชาติภาษาทั้งโลกภาษาทั้งชาษอีสานขันว่ามีนวยแก้วย่องอยู่บนหัวก็ส่วนผงทุเรียหมดทีวายว่างเมี่ยง ไม่แก้ย่องยู่บนหัวยังก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเห็นว่าเฉงว่าพูดพระธรรมพระสงฆ์นะครับไม่มีบัลลังพูดถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่มนุษย์ก็อาวุธขวัญพระพุทธเจ้าถ้ามาอย่างนั้นแล้วถ้าไมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้ววะไม่ทรัพ์เอกสารก็เปรตอั่วรกายในสัตว์นรกพระพุทธเจ้าเหวี่ยงหัวหนุนเอยเนี่ยย่อลงมาหัวหนุนเอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อลงมาอีก จงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโยนออกมานี่ละบาดครับวันนี้วันที่ออก